ภาคผนวกชีวิตและความตายธรรมดาของสิ่งทั้งหลายคือเกิดขึ้นดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วดับไปความดับไปความแตกสลายของรูปแห่งสิ่งมีชีวิตนั่นเองเรียกในภาษาสามัญว่าตายในขณะที่ดำรงอยู่ก็อยู่ด้วยความยุ่งยากลาบากนานาประการต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพื่อประคับประคองชีวิตไว ทั้งมนุษย์พืและสัตว์ต้องมีภาระหนักในการประครับประคองรักษาชีวิตทั้งสิน้นชีวิตความทุกข์ความตายมาพร้อมกับการเกิดกล่าวเฉพาะมนุษย์และสัตว์ได้รับฉานก่อนความเดือดร้อนของชีวิตเริ่มต้นตั้งแต่วาระแรกที่จะคลอดจากครรภ์ของแม่มาสู่พบใหม่เรียกได้ว่าเริ่มเข้าสู่ยุคแห่งทุกข์ต่างๆตั้งแต่การเสี่ยงอันตรายในการคลอด เมื่อคลอดแล้วก็ต้องเผชิญหน้ากับความทุกข์ใหม่ๆที่ตนไม่เคยประสบหรือมิฉะนั้นก็มีความทุกข์ซ้ำซากไปตลอดชีวิตความตายเป็นทางออกจากทุกข์ชั่วระยะหนึ่งหรืออาจเปลี่ยนจากทุกข์อย่างหนึ่งไปสู่ทุกข์อื่นที่แปลกและใหม่อีกอย่างหนึ่งในรายที่คลอดยากทั้งเด็กและมารดาได้รับความทุกข์ทรมานเหลือเกินตายเสียขณะคลอดก็มีตายเสียในคันก็มี ออกจากคันพร้อมได้ความพิการและมีชีวิตอยู่อย่างทุกทรมานไปตลอดจนตายก็มีชีวิตความทุกข์และความตายช่างสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดแท้จริงๆเมื่อออกจากคันมารดามาสู่โลกนี้แล้วแม้ไม่พิการอยู่ในสภาพตามปกติธรรมดาก็ต้องถูกความทุกข์ต่างๆบีบคัน้นไม่เว้นใครไว้เลยไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ชายหรือหญิง ยากจนหรือมั่งมีสวยหรือขี้เรล้วนตกอยู่ภายใต้อำนาจครอบงำของความทุกข์ทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความแก่ความเจ็บความตายและความต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจลูกศรเสียบกายเสียบใจมนุษย์และสัตว์ทั่วไปจึงมีลูกศรสองดอกเสียบอยู่ดอกหนึ่งเสียบกายคือทุกทางกาย อีกดอกหนึ่งเสียบใจคือทุกทางใจซึ่งมีสาเหตุอยู่มากมายสุดจะพันน า, นาได้บางคนถูกบีบขั้นจนทนไม่ไหวต้องฆ่าตัวตายด้วยวิธีต่างๆเพื่อหนีทุกข์แต่ก็หาหนีได้พ้นไม่เขาต้องได้รับทุกข์ในพบหน้าอีกและอาจจะรุนแรงยิ่งกว่าทุกข์ในพบนี้ที่เขาได้รับอยู่แล้วเสียอีกจนกว่าเมื่อใดเขาได้กำหนดรู้ทุกข์และเหตุแห่งทุกข์ แล้วละเหตุแห่งทุกเสียการติดตามแห่งทุก์ก็จะสิ้นสุดลงทุกของชีวิตบุคคลจะมียศอย่างไรมีทรัพย์มากเพียงใดมีบริวารล้นหลามอย่างไรก็ไม่พ้นที่จะต้องตกอยู่ในอำนาจของความแก่ความเจ็บไข้และความตายในระหว่างมีชีวิตอยู่ก็ถูกความทุกข์ต่างๆรุกรานเบียดเบียนจนหาความสุขสงรางใจที่แท้จริงได้ดยยาก หรือให้ติดต่อกันเป็นเวลานานๆได้ความทุกข์เหล่านั้นเช่นความทุกข์ใจคับแค้นใจเพราะเหตุต่างๆความต้องหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปัสสาวะซึ่งต้องบำบัดอยู่เสมอโรคภัยไข้เจ็บความถูกกิเลสแผดเผาให้เรา่าร้อนความต้องทนทุกทรมานเพราะผลกรรมของตนความต้องร่วมทุกข์ด้วยผู้เกี่ยวข้อง การต้องแสวงหาอาหารการทะเลาะวิวาทกับผู้อื่นที่ขัดแย้งกันเหล่านี้ล้วนเป็นทุกข์ของชีวิตทั้งสิน้นมันระลึกถึงความตายด้วยสติการระลึกถึงความตายอยู่เนืองนิดเป็นกรรมฐานอย่างหนึง่งท่านเรียกว่ามรณสติกรรมฐานทําให้เกิดความสังเวชสลดใจแต่ต้องประกอบด้วยสติสัมปชัญญะและญาณคือความรู้ความเข้าใจตามเป็นจริง มิฉะนั้นแล้วการระลึกถึงความตายจะเกิดความสะดุ้งกลัวหวาดเสียวพรั่นพรึงไม่ได้ประโยชน์การระลึกถึงความตายที่ได้ประโยชน์จะต้องมีสติสัพชัญญะด้วยดีให้เห็นความตายของตนและผู้อื่นเป็นเรื่องธรรมดาสามัญได้ความสังเวชสลดใจหมดความเพลิดเพลินในทางที่ผิดมีจิตคลายจากความโรคโกรธและหลงความตายสองลักษณะ ความตายนั้นมีสองลักษณะคือตายในเวลาที่สมควรตายอย่างหนึ่งท่านเรียกว่ากาลมรณะเช่นตายเพราะชราสิ้นอายุและตายในเวลาที่ยังไม่ควรตายอย่างหนึ่งท่านเรียกว่าอากาลมรณะเช่นตายเพราะถูกฆ่าตายเพราะกรรมเก่ามาตัดรอนเกิดอุปัรวคเหตุต้องตายลงไปอย่างนี้เป็นอากาลมรณะ ความตายทั้งสองอย่างควรเป็นสังเวควัตถุคือเรื่องอันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวชสลดจิตว่าโอหนอท่านผู้นี้ตายแล้วอย่างไรย่อมเป็นไปได้ที่เราจะต้องตายอย่างนี้บ้างวันใดวันหนึ่งในอนาคตสิ่งที่ประกันไม่ได้สี่ประการพระพุทโธตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายสิ่งสี่ประการ น, นี้ใครๆจะประกันไม่ได้เลย คือหประการสิ่งที่จะต้องแก่หรือสุดโทมเป็นธรรมดามิให้แก่หรือสุดโทม 2. ประการสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดามิให้มีการเจ็บป่วย 3. ประการสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดามิให้ตาย 4. ประการกรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วมิให้ให้ผลเป็นความทุกข์ความทุรนทุรายจากอังคุตตรังทกายเจตุ ก, กานิบาศ เล่ม21หน้า232อิทธิพลที่ยิ่งใหญ่ของความตายความตายนี้มีอิทธิพลยิ่งใหญ่นักไม่มีใครสามารถต้านทานต่อสู้โดยวิธีใดๆได้เลยก้าวเข้าสู่ปราสาทแห่งกษัตริยาทิราชและแม้ในวงชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างสง่าผ่าเผยปราศจากความสะทกสะท้านใดๆ เช่นเดียวกับก้าวเข้าสู่กระท่อมน้อยของขอทานพญามมจุราชนี้เป็นตุลาการที่เที่ยงธรรมยิ่งนักไม่เคยลำเอียงหรือกินสินบนของใครเลยย่อมพิจารณาคดีตามบทพระอายการและอ่านคำพิพากษาด้วยถ้อยคําอันหนักแน่นเด็ดเดียวไม่ฟังเสียงคัดค้านและขอร้องของใครท่ามกลางเสียงคร่าครวนอันระคดรวยกลิ่นทูบควันเทียนน้น ท่านได้ยืนพระหัต์ออกกระชากให้ความหวังของคนทุกคนหลุดลอยแล้วทุกอย่างก็เป็นไปตามพระบัญชาของพระองค์เมื่อมาถึงจุดนี้ความยิ่งใหญ่ของผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหลายก็จะกลายเป็นเพียงนิยายที่ไว้เล่าสู่กันฟังเท่านั้นมงกุฎประดับเพชรก็มีค่าเท่ากับหมวกฟางพระคาาอันมีลวดลายวิจิตก็เป็นเสมือนท่อนไม้ที่ไร้ค่าเมื่อความตายมาถึงเข้า พระราชาก็ต้องถอดมองกุฎเพชรลงวางทิ้งพระกทาไว้แล้วเดินเคียงคู่ไปกับชาวนาหรือขอทานผู้ใดทิ้งจอบเสียมหมวกฟางและคันไถหรือภาชนะขอทานไว้ให้ทาญาตของตนใครเล่าจะต่อก่อนกับพญามะจุราชผู้เป็นใหญ่ในสิ่งที่จะต้องตายแต่ถ้าไม่มีความตายแล้วมนุษย์ทั้งหลายก็จะมัวเมาประมาท และมีชีวิตอยู่อย่างทุกทรมานมากกว่านี้พญามาจุราชคือความตายเมื่อมองในแง่นี้แล้วก็มีบุญคุณต่อมนุษย์มากอยู่เพราะเพียงแต่นึกถึงท่านบ่อยๆเท่านั้นก็ทำให้ความโลภโกรธหลงสงบระงับลงและแม้เพียงแต่เอาชื่อของท่านไปขู่เท่านั้นก็ทำให้บุคคลบางคนวางมือจากความชั่วทุจริตที่เคยทามาก่อน แต่ก็พยาเมาจุราชอีกเหมือนกันที่กระชากเอาชีวิตของคนดีมีประโยชน์บางคนไปอย่างหน้าตาเฉยแม้ในโอกาสอันยังไม่สมควรหรือเป็นเพราะเขาควรจะไปมีความสุขในโลกหน้ามากกว่าปล่อยให้มีทุกข์อยู่ในโลกมนุษย์อันเกลื่อนกลนอยู่ด้วยสุขและทุกนี้แม้ความงามอันเฉิดฉายของหญิงงามสครานตาร่านใจอันถูกโยกย่องแล้วว่าเป็นหนึ่งในจักรวาล เป็นที่ต้องการปราถนายิ่งนักของบุรุษทุกวัยในพื้นพิพนี้เธอผู้งามพร้อมเช่นนั้นในที่สุดก็ต้องตกเป็นเหยื่อของความตายซึ่งไม่เคยยกเว้นและปราณีใครเลยเมื่อดาบแห่งมัจจุราชฟาดฟันลงไายวงอันมีมหิดธานุภาพยิ่งนักคล้องเอาดวงวิญญาณไปแล้วร่างอันงดงามเล้าความตึกในกามให้กำเริบนั้นก็พลันนอนนิ่งเหมือนท่อนไม้ มันร้ายค่ายิ่งกว่าท่อนไม้เสียอีกเพราะไม่อาจนำไปทำประโยชน์ใดๆได้เลยจะทำสมภาระหรือเครื่องมือหุงข้าวต้มแกงก็มีได้มีแต่เป็นเหยื่อของหมู่หนอนเข้าชอนชยให้ปลุกพลุนเน่าเหม็นเป็นที่สะอิดสะเอียนแม้แต่บุคคลที่เคยรักเหมือนจะขาดใจอะไรเล่าจะเป็นสาระในชีวิตขมนุษย์ นอกจากความดีที่เคยบำเพ็ญและทิ้งไว้ให้โลกเราลึกถึงและยกย่องบูชาด้วยประการชนี้เจ้าของแห่งเรือนร่างทิ่งดงามพริ้งพลาถ้ามัวเมาแต่ในเรือนร่างอาันไรสาระของตนมิได้ขนขวายบำเพ็ญประโยชน์ให้สมกับที่เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคุณค่าของเขาจะสู้กอนอิดปูถนนได้อย่างไรชีวิต ถูกแผดเผาโดยความแก่และความเจ็บอยู่ทุกวันอำนาจและชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนเปรียบด้วยน้ำค้างบนใบหญ้าไม่นานนักก็เหือดแห้งไปเมื่ออาทิตย์อุทัยขึ้นมาแผดเผาชีวิตนี้ถูกความแก่และความเจ็บแผดเผาอยู่ทุกวันจะยั่งยืนไปได้สักเท่าใดในที่สุดก็ต้องตายใครเล่าจะปฏิเสธพระดารัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ว่า ความสุขอันเป็นโลกีทั้งมวลลงท้ายด้วยความทุกข์ชีวิตเริ่มต้นด้วยเรื่องต้องปกปิดเพราะความอายทรงตัวอยู่ด้วยเรื่องยุ่งยากสับสนและจบลงด้วยเรื่องเศร้าอันหนึ่งชีวิตนี้เริ่มต้นและจบลงด้วยเสียงคร่ำครวญเมื่อลืมตาขึ้นดูโลกเป็นครั้งแรกเราก็ร้องไห้และเมื่อจะหลับตาลาโลกเราก็ร้องไห้อีก หรืออย่างน้อยก็เป็นสาเหตุให้คนอื่นหลั่งน้ำตาเด็กร้องไห้พร้อมด้วยการมือแน่นเป็นสั ญ, ญลักษณ์ว่าเขาเกิดมาเพื่อจะ่วงเหนียวยึดถือแต่เมื่อหลับตาลาโลกนั้นทุกคนแบกมือออกเหมือนจะเตือนให้ผู้อยู่เบื้องหลังสํานึกและเป็นพยานว่าไม่ได้เอาอะไรไปเลยเปรียบเหมือนภูเขาศิลาล้วนสูงจระฟ้ากลิ้งเข้ามาพร้อมกันทั้งสี่ทิศ ย่อมบทขยี้สัตว์ทั้งหลายให้พินาศไปฉันใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นย่อมครอบงำย่ำยีสัตว์ทั้งหลายไม่เว้นใครเลยไม่ว่ากษัตริย์พราหมณ์ไวยสยะสูตรจันทานหรือคนรับจ้างทิ้งขยะมูลฝอยความแก่และความตายนั้นอันใครๆคจะเอาชนะด้วยกองทัพช้างมา้าพลเดินเท้าด้วยซับหรือเวทมนต์คถาใดๆดมิได้เลย เพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้พิจารณาเห็นประโยชน์เพื่อมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธธรรมด้วยกายวาจาใจย่อมได้รับการสรรเสริญในโลกนี้ละโลกนี้ไปแล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์จากปับพะโตปะมะคถาเล่มส5หน้า415สข้อ148ความตายคือเงาติดตัวของชีวิต ความตายเป็นประดุดเงาตามตัวของคนและสัตว์ทั้งหลายอยู่แต่บุคคลและสัตว์หารู้ตัวไม่หรือเหมือนเพชฌฆาตถือดาบเงื้อตามหลังบุคคลอยู่ทุกย่างก้าวพร้อมที่จะฟาดฟันอยู่ทุกขณะแต่มนุษย์ทั้งหลายก็ประมาทอยู่หาสำนึกรู้ถึงความจริงข้อนี้ไม่ช่างน่าสงสารเสียนีกระไร ความแก่และความตายติดตัวบุคคลมาตั้งแต่วันแรกที่ถือปฏิสนธิในคันมารดาทีเดียวแต่ยังไม่ปรากฏชัดเป็นสภาพแฝงเร้นอยู่พลางตาให้เห็นเป็นการเจริญเติบโตแต่ผู้รู้เรียกงอาการอย่างนี้ว่าไหวหมายความว่าเสื่อมไปสิ้นไปหมดไปต่อเมื่อปัดชิมมาไวความแก่จึงปรากฏชัดเจนปกปิดไม่ได้อีกต่อไป และในที่สุดก็ต้องแตกทำลายคือตายทุกคนบ่ายหน้าไปสู่ความตายตั้งแต่วันแรกที่ปฏิสนธิในคันมารดาเหมือนดวงอาทิตย์ที่บ่ายหน้าไปทางทิศตะวันตกตั้งแต่วินาทีแรกที่ขึ้นทางทิศตะวันออกหรือเหมือนสายน้ำที่ไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำฉะนั้นทุกสิ่งมีการแตกทำลายเป็นที่สุด วันคืนล่วงไปชีวิตและอายุของสัตว์ทั้งหลายก็เสื่อมไปสิ้นไปชีวิตเปล่าบางเหมือนภาชนะดินที่ช่างหม้อทาไว้ทุกอย่างทุกขนาดมีการแตกทำลายเป็นที่สุดทุกอย่างที่มนุษย์ปองหมายต้องการดิ้นรนขนขวายหายื้อแย่งทำลายล้างกันเพื่อสมบัติอันใดสมบัติอันนั้นก็พลอยวิบัติไปสิ้นสำหรับเขาเพราะวิบัติอันยิ่งใหญ่มาถึงเข้า นั่นคือมรณวิบัติวิบัติคือความตายย่อมทำลายสมบัติอันเป็นที่ชื่นชมของบุคคลทุกประการแม้สรีระอันเป็นที่รักเป็นที่หวงแหนแห่งตนก็ต้องทอดทิ้งไวถ้ถมแผ่นดินหรือให้ถูกเผาเป็นเท่าทานความไม่มีโรคจบลงด้วยโรคความหนุ่มสาวลงท้ายด้วยความแก่ชีวิตสิ้นสุดลงด้วยความตายใครจะสูงด้วยยศ มากล้นด้วยบุญอุดมด้วยฤลือเลือดด้วยปัญญามีกําลังมหาศาลอย่างไรก็ไม่พ้นเงื้อมือแห่งความตายแม้พระปัจเจกกับพทธเจ้าและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงบรรลุถึงอมตะธรรมแล้วก็ยังต้องตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งมรรตอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้ไหนเล่าความตายจากไม่มาถึงเราความมีชีวิตอยู่ช่างไม่แน่นอนเสเลย อันตรายอันเป็นเหตุแห่งความตายนั้นมีมากนักเช่นอันตรายจากสัตว์ ร, ร้ายมีงูและเสือเป็นต้นจากบุคคลที่เป็นศัตรูคู่เวรกันจากอุปตวายเหตุเช่นถูกรถชนพลาดลม้มลมในที่บางแห่งและอันตรายจากโรคต่างๆมีโรคลมในปัจจุบันและโรคอันเป็นเหตุให้สิ้นชีวิตโดยเฉียบพลันอีกหลายประการเพราะฉะนั้น จึงไม่ควรประมาทในวัยว่ายังหนุ่มสาวหรือยังไม่แก่ในความไม่มีโรคและในชีวิตว่าชีวิตของเรายังยืนยาวมีอยู่เสมอมิเช่หรือเห็นการอยู่ตอนเช้าตอนสายตายเสียแล้วเห็นการอยู่ตอนสายเที่ยงวันตายเสียแล้วเห็นการอยู่เที่ยงวันบ่ายตายเสียแล้วและเห็นการอยู่ตอนบ่ายเย็นตายเสียแล้วเห็นการอยู่ตอนเย็นกลางคืนตายเสียแล้ว ความมีชีวิตอยู่ช่างไม่แน่นอนซะเลยส่วนความตายเป็นของแน่นอนเราจะต้องตายเป็นแน่แท้เหตุปัจจัยของความมีชีวิตอยู่และความตายความมีชีวิตอยู่เนื่องด้วยปัจจัยหลายอย่างพอขาดเหตุปัจจัยชีวิตก็พร้อมที่จะดับเหตุปัจจัยที่กล่าวนั้นคือลมหายใจเข้าออกเมื่อหายใจเข้าไปแล้วไม่ออกหรือออกแล้วไม่เข้าไป คนก็ตายในช่วงระยะเวลาเพียงเล็กน้อยนอกจากนี้ยังต้องบริหารอิริยาบททั้งสคือยืนเดินนั่งนอนให้เป็นไปสม่ำเสมออุณหนะภูมิของร่างกายต้องมีความพอดีขาดหรือเกินไปก็เดือดร้อนร่างกายนี้ต้องได้ข้าวน้ําตามการอันควรเมื่อขาดไปไม่ได้ในการที่ควรได้ชีวิตก็ถึงความแตกดับชีวิตโรค การที่ตายที่ท่อทิ้งร่างกายและคติที่ไปในเวื้องหน้าห้าประการนี้ไม่มีเครื่องหมายรู้ไม่ได้สัตว์โลกโดยทั่วไปรู้ไม่ได้ใครเล่าจะกำหนดได้ว่าตนจะมีชีวิตอยู่เท่านั้นเท่านี้ใครเล่าจะรู้ว่าตนจะตายด้วยโรคอะไรในวันใดเดือนใดปีใดและตายที่ใดนอกจากนี้ยังไม่อาจรู้ได้ว่าตายแล้วไปเกิดที่ไหน พึงไม่ประมาทในเรื่องอายุในสมัยปัจจุบันชีวิตของมนุษย์นี้น้อยนักเพียงร้อยปีเป็นอย่างยิ่งแม้จะเกินร้อยปีไปบ้างก็ไม่มากและจะต้องตายเพราะชราเป็นแน่แท้พราผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสเตือนไว้ว่าภิกษุทั้งหลายอายุของมนุษย์นี้น้อยนักพวกเขาจะต้องเดินทางไปสู่สัมปรายภพ เพราะฉะนั้นจึงควรทากุศลควรประพฤติพรหมจรรย์คือดำรงตนอยู่ในระบอบการคลองชีวิตอันประเสริฐที่ทุกขเข้าถึงได้โดยยากดำเนินชีวิตตามหลักศีลสมาธิปัญญาผู้ที่เกิดแล้วจะไม่ตายเป็นไม่มีอายุของมนุษย์นี้น้อยนักคนดีหรือผู้ฉลาดไม่พึงประมาทในเรื่องอายุนั้นพึงรีบทาความดีคือรีบดับทุกข์ เหมือนคนที่ไฟติดอยู่บนชีสาควรรีบดับเสดโดยพลันเรื่องความตายจะไม่มาถึงนั้นเป็นไม่มีพระพุทธองค์ตรัสไว้อีกว่าสำหรับภิกษุผู้เจริญมรณสติว่าหน้าปลื้มใจหนอที่เราอยู่มาได้วันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่มาได้วันหนึ่งอยู่มาได้ชั่วระยะเวลาที่ฉันวินทบาทครั้งหนึ่งเคี้ยวคาข้าวสี่ห้าคำเป็นต้น ภิกษุผู้เจริญมรณสติอย่างนี้ชื่อว่ายังประมาทอยู่ยังเฉื่อยชาอยู่ในเรื่องระลึกถึงความตายส่วนภิกษุใดเจริญมรณสติอย่างนี้ว่าน่าปลื้มใจหนอที่เราอยู่มาได้ช่วระยะเวลาเคี้ยวคําข้าวคําเดียวแล้วกลืนลงไปหรือเราอยู่มาได้เพียงชั่วงระยะเวลาที่หายใจเข้าแล้วหายใจออกได้หรือหายใจออกแล้วหายใจเข้าได้ เราพึงใส่ใจคำสอนของพระผู้มีพระภาคเราทำกิจของบรรพชิตได้มากหนออย่างนี้แหละภิกูุทั้งหลายเราจึงเรียกว่าภิกษุนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทเจริญมรรณสติอย่างเข้มแข็งเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสบุคคลผู้ฉลาดพึงพิจารณาชีวิตด้วยปัญญาบางคราวพระพุทธองค์ทรงอุปมาชีวิตด้วยหยาดน้าค้างบนใบหญ้า ด้วยฟองน้ำหรือต่อมน้ำในความหมายว่าสิ้นไปเร็วแตกดับเร็วทรงอุปมาชีวิตเหมือนรอยไม้ขีดลงในน้ำในความหมายว่ากลับเข้าหากันอย่างรวดเร็วไม่ตั้งอยู่นานน้ำที่ไหลาจากภูเขาหลายอย่างเดียวไม่ไหลกลับก้อนน้ำลายที่เขาอมไว้ที่ปลายลิ้นพร้อมที่จะถ่มทิ้งโดยพลันชิ้นเนื้อที่เขาใสไวในกระทะเหล็กถูกไฟเผาตลอดทั้งวัน ย่อมย่อยยับไปโดยรวดเร็วโคซึ่งเข้านำไปสู่ที่ฆ่าย่อมใกล้ความตายเข้าไปทุกย่างก้าวฉันใดชีวิตก็ฉันนั้นมีระยะสั้นมากมีทุกมากมีความคับแค้นมากบุคคลผู้ฉลาดจึงควรพิจารณาชีวิตด้วยปัญญาควรทำกุศลประพฤติพรหมจรรย์ประโยชน์จากความตาย เพื่อถือเอาประโยชน์จากความตายซึ่งทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ไหวข้ามไม่พ้นนี้พระพุทธองค์ทรงสอนให้ทุกคนทุกวัยพิจารณาเนืองเนืองว่าเรามีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นธรรมดาไม่อาจร่วงพ้นไปได้นอกจากนี้ให้พิจารณาถึงความที่จะต้องพลดัดพลากจากของรักของชอบใจทั้งปวงและพิจารณาถึงกรรมว่า เรามีกรรมเป็นของของตนต้องรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดเป็นเผ่าพันมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยเราทำกรรมดีย่อมได้รับผลดีทำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วเพราะสาตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมถึงอย่างไรความตายก็ยังมีแง่ดีอยู่มิใช่น้อยเช่นทำให้คนที่เคยโกรธหรือเกลียดชังเราหายโกรธหรือเกลียด ให้อภัยในความผิดพลาดต่างๆของเราความตายไม่อาจพรากความรักของคนที่รักได้ยังทำให้คนที่รักอยู่แล้วรักมากขึ้นความดีที่เคยทำไว้และยังไม่ค่อยปรากฏเมื่อยังมีชีวิตอยู่จะปรากฏมากขึ้นเด่นชัดขึ้นคนที่เคยริษยาก็จะเลิกริษยาและหันกลับมายกย่องชมเชยโอกาสของเราทุกคนมีอยู่น้อย เวลาแห่งความตายรุ ก, กรช้นเข้ามาทุกนาทีวินาทีจึงไม่ควรประมาทควรรีบทำกิจที่ควรทำลดละความเพลิดเพลินหลงไหลมัวเมาต่างๆให้เบาบางลงอย่างที่พระพุทธองค์ทรงเตือนไว้ว่าร่าเริงอะไรกันนักเพลิดเพลิน อ, อะไรกันนักเมื่อโลกนี้ลุกพรงอยู่ได้เพลิงคือความเจ็บความแก่และความตาย ท่านทั้งหลายอยู่ท่ามกลางความมืดมนคือความหลงเหตุฉะไหนจึงไม่แสวงหาดูประทีปคือปัญญาเล่าธรรมบรรยายเรื่องหลักกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินอินทศระายุติลงเพียงเท่านี้